อธิทูกะในห้อยยี่สิบห้าณเหตุปัจจัยกับอธิปัจจัยมีสิบสาวาระณอารมะณปัจจัยละถึงมีสิบสามวาระณอธิปติปัจจัยกับอธิปัจจัยมีสิบสามวาระณอนันตระปัจจัยละถึงมีสิสามวาระณสมนันตระปัจจัยมีสิบสาวาระณสหชาตรปัจจัยมีเจดวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีเจดวาระ ณนิสยปัจจ <ova> ัยมีเจดวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีสิบสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสิบสาวาระณอเสวณปัจจัยมีสิบสามวาระนกรรมะปจจัยมีสิบสาวาระณวิปากปัจจัยมีสิบสาวาระณอาหารปัจจัยมีสิบสาวาระณอินทรียะปจจัยมีสิบสามวาระ ณชานะปัจจัยมี13าวาระนมข้าปัจจัยมี13าวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีเจดวาระณวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนนัิปัจจัยมีสิบาวาระโนวิคตะปัจจัยมีสิบสาวาระอธิมิจกกะฆตนาหกร้อยสิบหณเหตุปัจจัยกับปัจใจสองคืออธิและอวิคตะมีสิบามวาระ นาอารัมมณปัจจใจละถึงมี13าวาระนาอธิปติปัจจัยมี13าวาระนาอนันตรปัจจัยมี13าวาระนาสมนันตระปัจจัยมีสิบาวาระนาสหชาตะปัจจัยกับปัจใจสองคืออัถิและอวิคตะมีเจ็ดวาระนาอัญญมัญญปัจจใจละถึงมีเจดวาระนาเนสิยปัจจัยมีเจดวาระนาอุปานิสยปัจจัยมีสิบาวาระ นาปุเรชาตปัจจัยมี9้าวาระนปัชชาชาตปัจจัยมีสิบสาวาระนาอเศวณปัจจัยมีสิบาวาระนกรมมปัจจัยมีสิบาวาระนวิปากปัจจัยมี13าวาระนอาหารปัจจัยมี13าวาระนอินทรียปัจจัยมีสิบาวาระนาชานะปัจจัยมีสิบาวาระนมัคคปัจจัยมีสิบาวาระ ณสัมปยุตตปัจจัยมีเจวาระณนะวิปยุตตะปัจจัยมีหวาระโนนัตถิปัจจัยมี13วาระโนวิคตะปัจจัยมี13วาระณนะเหตุปัจจัยกับปัจจัยมคืออัตตินิสยะและอวิคตะมี13วาระณนะอารมณปัจจัยกับละถึงมี13วาระณนะอธิ ป, ธปติปัจจัยกับมี13วาระ นอนันตรปัจจัยกับมี13าวาระณสมมันตรปัจจัยกับมี13าวาระณสหชาตะปัจจัยกับมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีเจดวาระณอุปนิสยปัจจัยกับมี13าวาระณาปุเรชาตะปัจจัยกับมีเก้าวาระณปัชฌาชาตะปัจจัยกับมี13าวาระณอเสวนปัจจัยกับมีสิบามวาระ นกรรมปัจจัยกับมี13าวาระนวิปากปัจจัยกับมี13าวาระนอาหารปัจจัยกับมี13าวาระนอินทรียปัจจัยกับมี13าวาระนัชานปัจจัยกับมี13าวาระนมคระปัจจัยกับมี13าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมีเจวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระโนนัถิปัจจัยกับมี13ามวาระ นวิคตตปัจจัยกับมี13าวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยสคืออัติอธิปติและอวิคตะมี8ดวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีเจดวาระณอนาตรปัจจัยกับมี8ดวาระณสมนันตรปัจจัยกับมี8ดวาระณสหชาตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีสี่วาระ นันสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอุปนิสยปัจจัยกับมีเจดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนปัชชาชาตปัจจัยกับมีแปดวาระณัอเสวณปัจจัยกับมีแปดวาระนกรรมะปัจจัยกับมีแปดวาระณวิปากปัจจัยกับมีแปดวาระณอาหารปัจจัยกับมีแปดวาระ นาอินทรียปัจจัยกับมีแดวาระนาชานะปัจจัยกับมีแดวาระนามข้าปัจจัยกับมีแดวาระนาสัมปยุตตปัจัยกับมีสวาระนาวิปยุตตปัจจัยกับมีสี่วาระโนนัธิปัจจัยกับมีแดวาระโนวิขตะปัจัยกับมีแดวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจสี่ เืออธิอธิปตินิสยาและอวิคตะมีแปดวาระณอารมณปัจจัย yes กับละถึงมีเจดวาระณอนนนตรปัจจัยกับมีแปดวาระณสมณันตระปัจจัยกับมีแปดวาระณสหชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีสี่วาระณอุปนิสยาปัจจัยกับมีเจดวาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีเจดวาระ ณปัจฉาชาติปัจจัยกับมีแปดวาระณอเสวณปัจจัยกับมี8ดวาระนกรมมปัจจัยกับมี8วาระนวิปากปัจจัยกับมี8วาระณอาหารปัจจัยกับมี8วาระณอินทริยปัจจัยกับมี8ดวาระณชานะปัจจัยกับมี8วาระณมัคคปัจจัยกับมี8วาระณสัมพยุตตปัจจัยกับมีสวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระโนวณติปัจจัยกับมีแปดวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีแปดวาระนเหตุปัจจัยกับปัจใจสามคืออัฐิอาหาระและอวิคตะมีเจ็ดวาระณอารมณะปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระณอธิปฏิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณอนันตระปัจจัยกับมีเจ็ดวาระ ณสมณันตระปัจจัยกับมีเจดวาระณสหชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญะปัจจัยกับมีสามวาระณนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอุปนิสยปัจจัยกับมีเจดวาระณปุเรชาตะปัจจัยกับมีเจดวาระณปัชชาชาติปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณอเสวณปปัจจัยกับมีเจ็ดวาระ นกรรมปัจจัยกับมีเจดวาระนวิปากปัจจัยกับมีเจดวาระนอินทริยะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนาชานะปัจจัยกับมีเจดวาระนมะฆะปัจจัยกับมีเจดวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับมีสมวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกับมีเจดวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีเจดวาระ นเหตุ u, ปัจจัยกับปัจจัยสมคืออัตติอินทรียะและอวิคตะมีเจดวาระนอารรมณปัจจัยกับและถึงมีเจดวาระนอธิปติปัจจัยกับมีเจดวาระนอนันตระปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนสมนันตระปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนสหชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอัญญามัญญะปัจจัยกับมีสามวาระ นานิสยปัจจ ma, ัยกับมีหน evet, ึ่งวาระณอุปน <importantes> ิสิยปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนาปุเรชาติปัจจัยกับมีเจดวาระนปัชฉาชาตปัจจัยกับมีเจดวาระนาอเสวณปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนวิปากะปัจจัยกับมีเจดวาระณอาหาระปัจจัยกับมีเจดวาระนาานะปัจจัยกับมีเจดวาระ ณมค้าปัจจัยกับมีเจดวาระณสัมปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระโนัตถิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระโนวิคตะปัจจัยกลับมีเจ็ดวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยสคืออัตินิสยาอินทรียและอวิคตะมีเจดวาระณอารมณปัจจัยกลับและถึงมีเจดวาระ นาอธิปติปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนาอนันตระปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนาสมานันตระปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนาสหชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับมีสามวาระนาอุปนิสยปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนาปัจฉาชาตะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนาอเสวนปัจจัยกับมีเจ็ดวาระ นกรรมะปัจจ hmm. ัยกับมีเจดวาระนวิปากปัจจัยกับมีเจ็ดวาระณอาหารปัจจัยกับมีเจดวาระนัชานะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนมกมฆปัจจัยกับมีเจดวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนัธิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระโนวิคตปัจจัยกับมีเจดวาระ นัเหตุปัจจัยกับปัจจัยสามคืออัติวิปยุตตะและอวิคตะมีห้าวาระนัอรามณปัจจัยกับละถึงมีห้าวาระนัอธิปติปัจจัยกับมีห้าวาระนัอนันตระปัจจัยกับมีห้าวาระนัสมมันตระปัจจัยกับมีห้าวาระนัสหชาตะปัจจัยกับมีห้าวาระนัอัญญามัญญปัจจัยกับมีห้าวาระ นนิสยะปั จ, จัยกับมีสามวาระนอุปนิสิยะปั จ, จัยกับมีห้าวาระนปุเรชาตปั จ, จัยกับมีสามวาระนปัจฉาชาตปั จ, จัยกับมีห้าวาระนอาศุวนะณปั จ, จัยกับมีห้าวาระนกรรมปั จ, จัยกับมีห้าวาร ะ, REW Correct, วาระนวิปากะปั จ, จัยกับมีห้าวาระนอาหารปั จ, จัยกับมีห้าวาระนอินทริยปัจัยกับมีห้าวาระ นาชานะปัจจัยกับมีห้าวาระนมัคคปัจจัยกับมีห้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมีห้าวาระโนนัิปัจจัยกับมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีห้าวาระนเหตุปัจัจกับปัจจัย่คืออัตินิชยะวิปยุตตะและอวิคตะมีห้าวาระนอารามณะปัจจัยกับละถึงมีห้าวาระ ณอาิตติป wine, wine, wine, wine, ัจจัยกับมีห um ้าวาระณอนันตรปัจจัยกับมีห um ้าวาระณสมณันตรปัจจัยก um ับม um ีห้าวาระณสหชาตปัจจัยกับมีสามวาระณอัญญมัญญะปัจจัยกับมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับมีห้าวาระณปุเรชาติปัจจัยกับมีสามวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีห้าวาระ นาอศวนปัจจัยกับมีห้าวาระนกรรมะปัจจัยกับมีห้าวาระนาวิปากปัจจัยกับมีห้าวาระนอาหาระปัจจัยกับมีห้าวาระนาอินทรียะปัจจัยกับมีห้าวาระนชานะปัจจัยกับมีห้าวาระนมข้าปัจจัยกับมีห้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมีห้าวาระโนนัิปัจจัยกับมีห้าวาระ นวิคตปัจจัยกับมีห้าวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัยาคืออัติอธิปตินิสยาวิปยุตตะและอวิคตะมีสี่วาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอนันตระปัจจัยกับมีสี่วาระณสมนันตระปัจจัยกับมีสี่วาระณสหชาตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญาปัจจัยกับมีสี่วาระ นาอุปาณิสยปัจจัยกลับมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกลับมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสี่วาระนอเสวนปัจจัยกลับมีสี่วาระนกรรมปัจจัยกลับมีสี่วาระนวิปากปัจจัยกลับมีสี่วาระนอาหารปัจจัยกลับมีสี่วาระนอินทริยะปัจจัยกลับมีสี่วาระนาชาณปัจจัยกลับมีสี่วาระ นัมมะาปัจจัยกับมีสี่วาระนัสัมมยุตตปัจจัยกับมีสี่วาระโนนะธิปัจจัยกับมีสี่วาระโนวิคตตปัจจัยกับมีสี่วาระนัเหตุปัจจัยกับปัจจัย5เพออธินิสยะอินทรียะวิปยุตตะและอวิคตะมีสามวาระนัอารมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนัอธิปฏิปัจจัยกับมีสามวาระ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 นักกรมปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับมีสามวาระณอาหาระปัจจัยกับมีสามวาระนัชานะปัจจัยกับมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับมีสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนัิปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีสามวาระปักินนกกฆตนา หกรเนเหตุ rumor, ปัจจัยกับปัจจัย4คืออัติปัจฉาชาตะวิปยุตตะและอวิคตะมีสามวาระนอารรมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระนอนันตระปัจจัยกับมีสามวาระนสมันันตระปัจจัยกับมีสามวาระนสหชาตะปัจจัยกับมีสามวาระ นอัญญมัญญปัจจัยกับมีสามวาระนนิสยาปัจจัยกับมีสามวาระนอุปนิสยาปัจจัยกับมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระนอเสวนปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับมีสามวาระนอาหาระปัจจัยกับมีสามวาระนอินทรียะปัจจัยกับมีสามวาระ นชาณะปัจจัยกับมีสามวาระนมขัปปจจัยกับมีสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนัตถปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัยสามคืออัตติปุเรชาตะและอวิคตะมีสามวาระณอรมณะปัจจัยกับละถึงมีสามวาระ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 นาอเสวนปัจจัยกับมีสามวาระนากรรมะปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับมีสามวาระนอาหาระปัจจัยกับมีสามวาระนอินทรียะปัจจัยกับมีสามวาระนาชานะปัจจัยกับมีสามวาระนมขา้าปัจจัยกับมีสามวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระนวิปยุตตะ uta, ปัจจัยกับมีสามวาระ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 นาสหชาตปัจจัยกับมีสามวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับมีสามวาระนาอุปนิสยปัจจัยกับมีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระนาอาศุวนปัจจัยกับมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับมีสามวาระนาวิปากปัจจัยกับมีสามวาระนาอาหาระปัจจัยกับมีสามวาระ นอินทริยปัจจัยกับมีสามวาระนาชานาปัจจัยกับมีสามวาระนามค้ า, าปัจจัยกับมีสามวาระณสัมยุญตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนาธิปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีสามวาระนาเหตุปัจจัยกับปัจจัยสี่คืออัตติอรมณะปุเรชาตะและวิคตะมีสามวาระ ณทิปติปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอันันตระปัจจัยกับมีสามวาระณสมมันตระปัจจัยกับมีสามวาระณสหชาติปัจจัยกับมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับมีสามวาระณนิสยาปัจจัยกับมีสามวาระณอุปนิสยาปัจจัยกับมีสามวาระณปัจฉาชาติปัจจัยกับมีสามวาระ นาอาศัยวะนัปใจกับมีสามวาระนกรรมะปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากะปัจจัยกับมีสามวาระนอาหาระปัจจัยกับมีสามวาระนอินทรียะปัจจัยกับมีสามวาระนาชานะปัจจัยกับมีสามวาระนมัคคปัจจัยกับมีสามวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระ โนนัติปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยกับมีสามวาระะเหตุปัจจัยกับปัจจัยหคืออธิอารมณะนิสยาปเรชาตะวิปยุตตะและอวิคตะมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับมีสามวาระณสมานันตรปัจจัยกับมีสามวาระ นาสหชาตปัจจัยก yes. ับมีสามวาระนาอัญญมัญญาปัจจัยกับมีสามวาระนาอุปานิสยปัจจัยกับมีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระนาอาศวะนปัจจัยกับมีสามวาระนากรรมปัจจัยกับมีสามวาระนาวิปากปัจจัยกับมีสามวาระนาอาหารปัจจัยกับมีสามวาระ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 ณอนันตรปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณสมนันตรปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสหชาติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญามัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปัชชาชาติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอเจวณะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ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 ณเหตุปัจจัยกับปัจจัยแปคืออัติอรมณะอธิปตินิสยะอุปนิสยะปุเรชาตะวิปยุตตะและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอนันตระปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสหชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญามัญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ ณปัชชาชาตัปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอเสวณะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกามะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปากัปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอาหาราปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ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 นสหชาต์ปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอัญญามัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอุปนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปัชชาชาต์ปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอาศุณะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชานะป um ัจจัยกับมีหนะึ่งวาระ นามคราปจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตตาปจัยกับมีหนึ่งวาระสหชาตะคัตนา6กรยยี่นเหตุปัจจัยกับปัจจัยสี่คืออัติสหชาตะนิสยาและอวิคัตามีเก้าวาระณอารามณปัจจัยกับละถึงมีเ้าวาระ ณอธิปติปัจจัยกับมีก้าววาระณอนันตระปัจจัยกับมีก้าวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีก้าววาระณัญญามนยปัจจัยกับมีก้าวาระณอุปาณิสยปัจจัยกับมีก้าววาระณปุเรชาตปัจจัยกับมีก้าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับมีก้าวาระณอเสวนปัจจัยกับมีก้าวาระ นักกรมะปัจจัยกับมีเก้าวาระนวิปากปัจจัยกับมีเก้าวาระณอาหาระปัจจัยกับมีเ้าวาระณอินทริยปัจจัยกับมีเก้าวาระณัชานะปัจจัยกับมีเก้าวาระนมัคคปัจจัยกับมีเ้าวาระณักสามยุตตปัจจัยกับมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนัติปัจจัยกับมีเก้าวาระ นวิคตาป AH e, uh, ah any ah, AH, AH, ัจจัยกับเมียเก้าวาระณเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออัติสหชาตะอัญญมัญญานิสยะและอวิคตะมีสามวาระณอารมณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระณนันตระปัจจัยกับมีสามวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีสามวาระ นาอุปา <ười> <qual>, ิสยาปัจจัยกับมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกลับมีสามวาระนปัชชาชาตปัจจัยกับมีสามวาระนอเสวณะปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมะปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากะปัจจัยกลับมีสามวาระนอาหาระปัจจัยกลับมีสามวาระนอินทริยปัจจัยกลับมีสามวาระนาชานะปัจจัยกับมีสามวาระ นามะคะปัจจัยกับมีสามวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระนเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คืออัตถิสหาชาตะอัญญมัญญานิสยะสัมปยุตตะและอวิคตตะมีสามวาระ นาอารมณปัจจัยกับละถ ouais ึงมีสามวาระนาทิปติปัจจัยกับมีสามวาระนาอนันตระปัจจัยกับมีสามวาระนาสัมมันตระปัจจัยกับมีสามวาระนาอุปนิสยปัจจัยกับมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระนาอาศเวนปัจจัยกับมีสามวาระ นกกรมปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับมีสามวาระนอินทริยปัจจัยกับมีสามวาระนัชานะปัจจัยกับมีสามวาระนมรคะปัจจัยกับมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระโนนัิปัจจัยกับมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระ น es Você ัเหตุปัจจัยกับปัจจัยหคืออัตติสหชาตะนิสยาวิปยุตตะและอวิคตะมีสามวาระนัอรามณปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนัอธิปติปัจจัยกับมีสามวาระนัอนันตระปัจจัยกับมีสามวาระนัสมมันตระปัจจัยกับมีสามวาระนัอัญญมัญญะปัจจัยกับมีสามวาระนัอุปนิสยาปัจจัยกับมีสามวาระ นาปุเรชาตตปัจจัยกับมีสามวาระนปัจฉาชาตตปัจจัยกับมีสามวาระนอเสวณัปัจจัยกับมีสามวาระนกรรมะปัจจัยกับมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับมีสามวาระนอาหารปัจจัยกับมีสามวาระนอินทริยปัจจัยกับมีสามวาระนาชานะปัจจัยกับมีสามวาระนามขะปัจจัยกับมีสามวาระ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 นาอินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยกับมีหนึ <ladım. S 1> ishing, ่งวาระนมค้าปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิปากะหนาเหตุปัจจัยกับปัจจัย5คืออัติสหชาตะนิสยาวิปากะ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 นปัจฉาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาสวนปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนามคะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ โนนัตถปัจใจกับมีหนึ่งวาระโนวิคตาปัจใจกับมีหนึ่งวาระนาเหตุปัจใจกับปัจใจหกคืออัติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะและอวิคตามีหนึ่งวาระนาอารมณปัจใจกับละถึงมีหนึ่งวาระนาอธิปติปัจใจกับมีหนึ่งวาระนาอนันตรปัจใจกับมีหนึ่งวาระ นาสัมเนตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอุปนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปูเรชาตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาปัจฉาชาตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอาศเวนปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนากรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาอินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ ณมะัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนัตถิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ <package> น่งวาระณเหตุ ป, ปัจจัยกับปัจจัยเจ็ดคืออัติสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยาวิปากะสัมปยุตตะและ อ, อวิคตะมีหนึ่งวาระ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 วิปยุตตะและอวิคตะมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยกับและถึงมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณสมนันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอัญญมัญญะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณอุปาณิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระณปุเรชาตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาศวณหปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนกรรมปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาชาณะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ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 นสสัมปยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนนัติปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโนวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสวิปากะ hmm. ห้าอธิมูลกะในจบนัติทุกกะในักร้ยยี่สิบนัเหตุปัจัยกับนัติปัจัยมีเจ็ดวาระนัเหตุปัจจัยกับวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระ นัตถิปัจใจและวิคตะปัจใจเหมือนกับอนันตรปัจใจอวิคตะทุกนัยหกร้อยสามสิบนเหตุปัจใจกับอวิคตะปัจใจมีสิบสามวาระพึงขยายอาวิคตะปัจใจให้พิสดารเหมือนอธิปัจใจอนุโลมปัจจนียะแห่งปัญหาวาระจบ